นาโม ต, าตาัสสะพะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทตะุทธังสระนังคะชามิ พุทธังสรนางคชามิธํรมังสารนางคชาิมังสารนางคชาิสังังสารนางคชามิสังขังสารนางคชามิดุติยามีพุทธังสารนางคชามิดุติยามีพุทธังสารนางคชาณิดุติยามีธรรมังสารนางคชามิทุติยามีธรรมังสรนางคชาิดุติยามีสร้างขังสารนางคชามิ ตติยามติสร้งคางตรานังคัจฉามิตาติยามปีพุทธังเสนาังกัจฉามิตาติยามปีพุทธังตรนังกัจฉามิตติยมปีธรรมังเสนาังกัจฉามิตาติยามปีธรรมังตรานังกัจฉามิตาติยามปีสั้งคางรนังคัจฉามิติสรณกมัังนิิตังอมาพันเต ปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปดังสมาียามิปานิปาตาเวรัมณีสิกขาปทางสมาธยามิอินาธานาเวรัมณีสิกขาปทังสมาดียามิอธินาธานาเวรมณีสิกขาปทางสมาธยามิ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 r ุขในร ะ, ระยะมัจจาปมาตทานเวรมณีสิกขาปัตตังสมาธิานิอิมานิปัญช a สิกขาปานิสีเลนะสุขติงยันติสีเลนะโพปสัมปตาสีเลนะนิพุติยันตีตาสมาสีลังวิโสทะเยาธรรมาชโลกาทิปติสามปติกตัญชลีอธิวรังอาญาจธาอทัสตาปรชาชิชาติกา เทเสตุธรรมังอนุกรรมติมังปะชงังเจริญพรพวกเราแยาจบความจริงตอนนี้หลวงพ่อยังไม่ได้ออกรับนิมนะต์แสดงทมที่ไห น, นนี้ท่านผู้ว่ารู้จักกันมาหลายสิบปีนะท่านประชาไปนิมนต์ทั้งที่เราอยู่ในพื้นที่นี้ไม่เอื้อเฟือก็ได้เกลียดไปหน่อยนะก็เลยต้องมานะ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 รู้สึกไหมพอหลวงพ่อบอกให้นั่งตามสบายเลยใจลุกหลีกลุกหลีด ล, ละรู้สึกไหมไม่ไม่ไ ม, ไม่ห้ามนะใจใจหลุกหลีอะไรก็ได้คอยรู้สึกเอาพวกเรามีบุญศาสนาเราเป็นชาวพุทธหลวงพ่อไม่ทราบว่าเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้ยังลงในบัตรประชาชนในทะเ บ, บียนบ้านไนมะ่าศาสนามีไหม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 นะกายนี้บังคับไม่ได้เป็นวัตถุเป็นก้อนธาตุไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่เราไม่ใช่เขานะเห็นว่าจิตมันไม่เพี่ยงจิตมันทํางานทั้งวนันทั้งคืนนะเห็นว่าจิตเนี่ยมันถูกปัญหาถูกกิเลสบีบคั้นอยู่ทั้งวนันทั้งคืนเห็นว่าจิตนี้เป็นของบังคับไม่ได้นะเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวดีเดี๋ยวได้นี่การเห็นกายเห็นใจเป็นใจรักนี่แหละเรียกว่าวิปัสสนาเห็นเราได้อะไรนะอัแรกเลยก็ได้เห็นความจริงของกายของใจนี้ะพวกเรายังไม่เห็นความจริงของกายของใจ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 ถามว่าระหว่างรักตัวเองกับรักคนอื่นเนี่ยเรารักตัวเองมากที่สุดแล้วเรามาเรียนรู้สิ่งที่เรารักที่สุดนี้แหละรู้ลงมาในกายรู้ลงมาในใจรู้ไปเรื่อยๆรู้บ่อยๆรู้จนวันหนึ่งเห็นความจริงเลไม่ใช่ของดีของวิเศษไม่ใช่ของน่ารักหรอกมีแต่ทุกข์ล้วนๆวันใดเห็นใจเป็นทุกข์ล้วนๆวันใดเห็นใจเป็นทุกข์ล้วนๆก็ปล่อยวางความยึดถือใจยึดถือใจเป็นพระอรหันต์พระอรหันต์ไม่ใช่เรื่องลึกลับอะไระ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 เวลากินข like so ้าวเนี่ยหายใจเข้าหรือหายใจออกกานกลืนอาหารนึกออกไหมเอาสิกินข้าวครั้งแรกเมื่อไหร่เวลากินข้าวหายใจเข้าไปลองดูนะอันนี้สัลักตายเลยเวลาพูดเราขยับขาก้าไกลบนหรือขาข้าไกลล่างหรือสองอัน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 ซิกนี้หลวงพ่อไม่ถามว่าถามซิกนีนะ้รู้สึกไหมใจลอยวันละกี่ครั้งหลวงพ่อตอบให้ใจลอยวันละครั้งตั้งแต่ตื่นจนหลับจนะนพวกนี้ใจลอยวั 100, 000, 000, 000, 000, 000. นหะนึ่งร้อยครั้งพันครั้งหมื่นครั้งเะื่อนี่เคยฝึกเจริญสตนะิเนี่ยไอ้หนุ่มนะรู้สึกไหมไปมองเขาใจวิ่งไปอยู่กับเขาแล้วนะเนี่ยใจเราวิ่งไปใจเราลอยไปแล้วลืมตัวเราเองตลอดเวลานละ้ว เ, เราเคยรู้สึกนะ ร่างกายเคลื่อนไหวควรู้สึกจิตใจเคลื่อนไหวควรู้สึกแล้วสติจเกิดเองเพราะสติเกิดแล้วต่อไปเราจเจริญปัญญาปัญญาเนี่ยคือการเห็นความจริงของกายของ ใ, ใจเห็นความเป็นไตร ล, ลักษณ์ของใจของใจใกายกับใจนั้นมันเป็นไตร ล, ลักษณ์โดยตัวของมันเองอยู่แล้วไม่ต้องไปคิดแต่งไตร ล, ลักษณ์ขึ้นมาไตร ล, ลักษณ์มีอยู่แล้วไตร ล, ลักษณ์เป็นอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเราคอยรู้สึกใจรู้สึกใจด้วยสติเนี่ยรู้สึกแตลล่ละใจเราตั้งมั่นนะแต่เราตั้งมั่นเป็นแค่ผู้รู้ผู้ดูขึ้นมา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 ถ้าเห็นทุกเมื่อไหรก็เห็นทำเมืะนั้นแหละใครฝึกเอานะนันนี้เยนแค่นี้พอละเทศ้ยนมากเดี๋ยวปวดหัวใครจะคุยกับหลวงพ่อเชิญมีไหมเป็นข้าราช ก, การกันหรื อ, รอว่าไม่ใช่เปลี่ยนกันมาทุกท่านอยู่ <c oughs> ถูกบังคับมาแล้วหรือได้รับเชิญนะวัดหลวงพ่อนะหลวงพ่อไม่เชิญเลยต้องถามพวกนี้ดูต้องแย่งเงินไป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 ถึงไม่มันผงใสกต่สอส่วนเนี่ยเรามีสติขึ้นมาในะจิตมันเป็นกุศลขึ้นมาจิต ท, ที่เป็นกุศลนะั้นมันอ่อนโยนมันนุ่มนวลมันเบามันสบายมีความสุขอยู่ในตัวเองคุณเห็นไหมราคะไม่ใช่จิตตรงนี้ดูออกอยังพอจะทราบพอจะจับแนวทางนะ่ะเห็นไหมโทสะก็ไม่ใช่จิตมันเป็นสิ่งที่จิตไปรู้เข้าสิ่งทั้งหลายทั้งปวงนะั้นผ่านมาแล้วก็ผ่านไฟมองเห็นไหม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 ดูอะไรบางทีมันก็ดูมันเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาค่ะบางทีสองเดือนมันก็ผิดอีกละแล้วเดี๋ยวอีกเดือนอีกอาทิตย์นึงมันก็ผิดอย่างใหม่อีกละมันก็ผิดผิดมาตลอดอย่างเงี้ยค่ะปฏิบัติเนี่ยไม่ต้องกลัวผิดเพราะยังไงก็ผิดถ้าไมผิดก็บรรลุบักต์ผลในตอนนั้นแหละอย่ากลัวนะค่ะเรียนรู้สิ่งที่ผิดแล้วมันถูกเองค่ะเมื่อไหร่ไม่ผิดเม่อนั้นถูกเลยพอเรารู้ทันสภาวะ ดูแต่งที่หลอกลวงเรานะาเรารู้สภาวะอันนี้แล้วมันก็หลอกเราไม่ได้กิเลสมันก็สร้างสภาวะใหม่ๆที่มันหลอกเราอีกเราก็ต้องคอยรู้ทันไปเรื่อยสุดไม่มีอะไรหลอกใครได้ง่ายจริงง่ายนะ้ําไปยากอะไรหรอกหลวพ่อไปเรียนจากหลวงปูด่ดูลเมื่อปีสองห้าเอาเล่าพวงสวัดดาดนีหน่อยก็ได้พวกนี้ไม่รู้จักหลวงพ่อตันเด็กๆเจ็ดขวบ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 ความรู้ความเข้าใจในธรรมะ ม, มันก็เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นนะความทุกข์มันก็ลดลงลดลงไปเรื่อยๆเป็นปฏิภาคกลับกันกับความเข้าใจนั้นพอเราศึกษาไปเรื่อยนะจากนั้นหลวงพ่อก็เที่ยวตะเวนปราบครูบาอาจารยนะ์สนับสายวัดป่าไปหาหลวงปู่เทสหาหลวงปู่สินหาอาจารย์มหาบัวอะไรนะี่หลายองค์ไปเรียนกับท่านไปเรื่อยๆ สิ่งที่ครูบาอาจารย์แต่ละองศาก็เหมือนกันทนั้งมันก็ต้องมีสติรู้สึกกายรู้สึกใจนี่แหละการมหาบัวเคยสอนหลวงพ่อการปฏิบัติไม่มีอะไรมากนะให้มีสติรู้กายรู้ใจลงปัจจุบันแล้วสอนเท่านี้บางองค์ท่านก็บอกให้ดูจิตบอกมีเท่านี้แหละดูไปค่อยๆรู้ค่อยๆดูนะจิตใจเราก็พ้นทุกข์ไปเรื่อยๆมีความสุขมากขึ้นมากขึ้น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 ถ้าเรามีสติเราก็เห็นความอยากได้มันหายไปหรือความโกรธมันเกิดขึ้นเรามีสติรู้ทันเนี่ไหมเราก็ไม่ไปด่าไม่ไปตีใครสีมันก็เกิดเองแหละหรือว่าพอเรามีสีในะจิตใจเราก็มีสติอยู่มีสติอยู่นะกิเลสใดๆเกิดขึ้นในใจเรารู้ทันกิเลสที่เรียกว่านะนิมนต์เกิดขึ้นพอกิเลสเกิดขึ้นเรามีสติรู้ทันนะกิเลสก็จจดับไปจิตใจเราก็สงบใชนะ่พอมีสติก็มีสมาธิ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 อมันไม่ยึดนะไม่ยึดในกายไม่ยึดในใจปัญหาจะไม่เกิดขึ้นอีกความอยากจะไม่มีพอความอยากไม่มีแรงเคล้นจะไม่มีจิตใจก็เป็นอิสระคือว่าต้องสารภาพคือปกติหนูอยู่ต่างประเทศนะคะหลูงพ่อแล้วตอนหลังๆเนี่ยหนูเห็นรันบีดรัคลายมันมันไม่ผี่พอมาอยู่เพิ่งกลับมาอยู่ที่เมืองไทยสักสองสามวันนะคะมันดีดคลายบีดคลายจนปวดหัวมากมเลยรู้เล่นๆนี่าไปบังคับมันนะอย่ารู้แบบ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 นั้นถ้าจิตเบื่อให้รู้ว่าเบื่อดูเหมือนดูคนอื่นเบื่อไม่ใช่เราเบื่อจะใครรู้ทันไปเรื่อยๆพระพุทธเจ้าท่านสอ น, นบอกถ้ารู้ตามความเป็นจริงจะเบื่อไหนพอเบื่อไหนจึงคลายกำหนัดคือคลายความยึดถือเพราะคลายกำหนัดจึงหลุดพ้นพาหลุดพ้นจึงรู้ว่าหลุดพ้นแล้วต้องทําไปอีกนะต้องก็จะให้ดีต้องไปส่งการบ้านที่วัดหลวงพ่อนั้นจะเป็นอีกเวอร์ชั่นหนึ่ง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 จะมาถะอย่างเดียวยังไม่ได้ตัดศาสนาเลยค่ะมันอยู่ที่ใจถึงถึงนะเราต้องกล้าพอที่จะปล่อยปล่อยให้ใจเคลื่อนไหวไปแล้วตามดูปล่อยให้ใจเคลื่อนไหวไแล้วตามดูของโยมเนี้ยมันกลัวมากไปกลัวไม่ดีไปจับมันมากไป <c oughs> แต่และ ว, วันเห็นกิเลสเกิดบ่อยไหม <c oughs> บ่อยค่ะบ่อยก็ดีแล้วเห็นไหมกิเลสมันจะมามันก็มามันจะไปมันก็ไป <c oughs> อ่าแล้วทำไมบอกว่าทำนี้ศาสนาไม่ได้ คิดว่าวิปัสนาเป็นอะไรนั่งสมาธิแค่เพียงแต่นิ่งๆอย่างเดียวเหล่าเราฝึกอยู่ในชีวิตประจำวันนี่แค่เยอะนะอย่างเราเห็นหน้าคนนี้เราเกลียดเห็นคนนี้เราชอบนะเรารู้ทันใจเราเรื่อยๆเราก็เห็นเลยทุกสิ่งทุกอย่างในใจยในใจเรานะผ่านมาเราก็ผ่านไปาการที่เห็นอย่างนั้นแหละเห็นไตรัก์ของกายของใจนั่นแหละเรียกว่าวิปัสนาแต่ก็ไม่ค่อยมีความทุกข์นีแต่ความสุข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 <c oughs> ออ่มันไม่ใช่เห็นทุกข์หรอกมันเพลินเลินเลแต่ละวันมันเพลินเพลิมีความสุขแล้วเพลินเพลินให้รู้ทันตรงที่ใจชอบความสุข <c oughs> ให้รู้ทันลงไปในใจมันชอบแต่ <c oughs> เรารู้ทันใจที่ชอบความสุขแล้วความชอบดับไปความสุขก็แสดงใจ ร, รักขึ้นมาอื <c oughs> มีก็มีไม่มีก็ไม่มีเรื่องของมันอืจะเห็นเองแล้ว <c oughs> แล้วก็นั่งสมาธิยิงย่งอย่างนี้ไปเรื่อยๆไหะนั่งให้หลวงพ่อดูได้เลย อ๋อไม่เอาไม่เอาวันนี้เท่าห้ามไปนั่งให้ดูที่วัดเอามีใครเมื่อกี้เห็นยกมือหยิบข้างหลังจำงนมรดกหลวงพ่อค่ะที่ที่หนูปฏิบัติอยู่ตอนนี้ถูกต้องหรือเปล่าถูกต้องนะครับทําอะไรต่อไปไม่ต้องนะทําสม่ําเสมอทำสม่ำเสมอนะเจ้าค่ะพี่สื่อยู่ใช้ได้เห็นไหมกิเลสอะไรผ่านมาเราก็รู้ทันดูออกไหม เห็นไหมว่าความทุกข์มันลดลงลดลงตัวไหมค่ะเขาเบาเขาสบายมันเบาเขาสบายเห็นไหมใจมันโป่งขึ้นเรื่อยๆร่อเจค่ะเห็นไหมใจมันว่องไว้ค่ะนี่เราดูของเราไปอย่างนี้สามนักสัจธรรขอบคุณเจ้าคะง่ายตายบบขอเรียนถามหลวงพ่อหนึ่งหลวงพ่อหนึ่งหลวงพ่อนึกว่าจะเลิกเป็นก้อนตับ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 ก็เป็นผู้รู้ผู้ตื่นแล้วก็เฉาเฉาไม่ใช่ของจริงนะเพราะฉะนั้นใจเหี่ยวใจเฉานะยังไม่ใช่ของจริงหรอกจิตใจที่รู้ตื่นจะมีความสุขไม่เห็นแต่ตร้อนเลยเนี่ยมันไม่นอนเหรอเราก็คอยรู้มันไปนะถือว่าเป็นบุญของเรานะเราได้เจริญสติทั้งวันทั้งคืนโคตกนี้ดีนะเนี่ยใช้ได้นะภาวนาไป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 นอนดูร่างกายมันตายไปจิตใจไม่กระสับกระสายเรียกว่าตายอย่างตายอย่างที่ที่ไม่ต้องไปฝึกนะ <c oughs> ว่าตอนจะตายจะทำยังไงฝึกตอนอยังเป็นๆ <c oughs> มันเหมือนอย่างเราจะไปหัดว่ายน้านะต้องหัดตั้งแต่ก่อนจะตกน้ำตกน้ำใกล้าตายแล้วมาหัดไม่ได้นะเพราะนั้นเราต้องหัดตั้งแต่หัดธรรมดานี้แหละในชีวิตธรรมดาได้ฝึกไป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 รู้ว่าไม่ตายชักดีใจก็รู้อีกเลยเนี่ยรู้ผียิบขึ้นมาเองเป็นเองนะฝึกไว้เถอะมีบางคนนะเสพลดคลิกไปพลิกมาสติมันเกิดนะหรือเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยบางคนเจ็บมากมากนอนดูไปด้วยจิตใจร่าเริงเบิกบานเห็นร่างกายมันจะตายอะมันแยกกันเัรนฝะึกตั้งแต่ยังมีชีวิตอยู่นี่นะยังแข็งแรงอยู่นี่รีบฝึก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 ให้ครับล็อกให้องไม่ปวดแล้วสองข้อค้าเป็นอยู่ครั้งเลยค่ะหนูเคยเจอด้วยตัวเองหนูนั่งรถแล้วหนูอ่านหนังสือก็อ่านหนังสือจบนงานหนูมีความสุขแล้วหนูมองไปนอกหน้าต่างรถน่ะหนูมีความรู้สึกว่าโลกข้างนอกเปนสีทองเออและใจหนูตอนนั้นนะเอาภัยให้คนได้ทั้งโลกเลย ม, มันคืออะไรคะโลกจิตของเราเป็นยังไงเราก็เห็นโลกเป็นอย่างนั้นแหละวันไหนจิตเราผ่องใสโลกถ้าโลกก็ผ่องใส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 นี่ข้างหน้าเขายกมืออยู่กลัมบามาสการพระอาจารย์ค่ะจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงรียนะคะก็ อ, อยากจะเรียนกราบเรียนถามพระอาจารย์ว่าอย่างสมมติว่าเราทํางานเนี่ยเรามีสมาธิในการทํางานแล้วงานเราสําเร็จนันนั่นคือปติเกิดหรือเปล่าคะานนมีสตินะแต่เป็นสติธรรมดาไม่ใช่สติปัฏฐาน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 สมาธิอี่ชนิดหนึ่งจิตตั้งมั่นเป็นแค่คนดูเหมือนอย่างคนดูฟุตบอลน่ะนั่งอยู่บนอัธจันทร์เห็นนักฟุตบอลวิ่งอยู่ข้างล่างจิงตที่มีสมาสมาธิจะตั้งมั่นเหมือนคนดูฟุตบอลเห็นกีเลสวิ่งไปวิ่งมาอยู่ห่างๆเข้าวัานไนใช้ได้นะดีละมาข้างหน้าข้างหนคุณพาะหลังห้ อ, อข ง, ขงขาการรู้อย่างเดียวมันยากมากเลยนะใช่เพราะเราเคยชินที่จะปรุงเนื้อ yeah.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 อิชิตังปติตังทุมหังคิปะเมวาสมิเชตุสัพเพปูเรนตุสังกปาจันโทปนาราโสยัถามณิโชติระโสยัตถะสัพพิติโอวิวัชฉันโตสัพพโรโควินาสตุมาเตภวัตวันตรารโยสุขีทีขายุโกภวะอภิวาทนาสีริสนิจังุทธาปั จ, จายิโนจัตาโรธรรมาวัันติอายุวันโนสุขัง ฝลาง